ผิดที่ฉันไปลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยังมีเจ้าของเธอคือรักที่เราพลาดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันกับ ความรักที่ไม่มีวันจะได้ครอบรอบลอยให้ลอยละลอยๆอยให้ลอยให้ลอยลยให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนเบกระดาษเขนมาส่งก็เลยลำบากเริ่มฉันนาวหัวใจลอย แต่ก็รู้สักวันคงแทกไม่ยับยัยนชังใจ เป็นอยังความฝันรอคอยวันแต่สล้ายเม่สายลงหมดฉันคือตกลงมัน เกินมาสูงก็เลยลำบากรำฉันนาวหัวใจปล่อยให้ ล, ยลอยลอยลอยให้ ล, ยห ล, ยลอยลอยละลอยตั ว, วน้อยจึงลอยลองไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สักวันคงจะไม่อยากยันชังใจขอมรับไปแล้วเจอได้ทำฉัน ทั้งที่รู้ไม่มีจุดหมายอยู่กับรักทีเ่เป็นอย่างความฝันเราเคยหวันแต่สลายมาสายลมหดฉันก็ตกลงมาตายโอ้โอ้ตัวร้อยที่ลอยสู่ควฝันเราเคยหวันแต่สลายมาสายลมหมดสุดท้ายก็ตกลงมา